เรื่องให้แบ่งของสงเจ็ดเรื่องห56สมัยนั้นพวกพิสษุอาคันตุกะให้แบ่งผลมะม่วงของสงแล้วขบชันพวกพิสษุเจ้าถิน่นกล่าวหาพิสษุเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่เป็นพระพวกพิสษุอาคันตุกะเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้าต้องการจะฉันพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องการจะฉันไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่117สมัยนั้นพวกภิกษุอาคันตุ ก, กะให้แบ่งผลว่าของสง์แล้วขบฉันพวกภิกษุเจ้าถิ่นกล่าวหาภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่เป็นพระพวกภิกษุอาคันตุ ก, กะเกิดความกังวลใจว่า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 วงเล็บเรื่องที่123